สุขภาพคงไม่ไหวแต่เมื่อคือนระู้สึกว่าดีขึ้นเมื่อวานมีหม อ, อ, อมาคลายเส้นให้รู้สึกว่าดีขึ้นเมื่อวานนะแต่วันนี้ก็ยังมีอยู่ยังไม่หายแต่อาการหวัดไอก็คงจะค่อยทุเลาลงไปเรื่อยๆก็มัง้งนี่แหละธาตุขันลูกหลานเลยเล่าให้ลูกหลานฟังทําไมหลวงพ่อยังไม่ไปที่นู่นที่นี่เนะี่ยทำไมเล่าให้ฟังก็เดี๋ยวจะหาว่าหลวงพ่อ คล้ายๆกับเล่นตัว เ, เลือกงานไปงานนั้นไปงานนี้ไม่ไปแต่ตามไม่จริงมันไปไม่ได้แต่ขนาดแขกในวัดก็ยังรับไม่ได้เมื่อวานยอมแพ้เมื่อวานฉันอาหารกับฉันแบบไปอย่างนั้นดื่มๆน้าไปอย่างนั้นเพราะมันเบื่อมันไม่อยากอาหารเลยน่แหละเมื่อวานแต่วันนี้รู้สึกว่าดีขึ้นวันนี้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 ยังไม่ใช่ที่สิ่งที่ต้องการจากนั้นพระองค์ยังออกมาบาเพ็ญตามลำพังอีกที่หนึ่งการศึกษาเรื่องสมาธินะก็พร้อมเรื่องทำจิตใจให้สงบจากนั้นพระองค์นำมาพิจารณานั่นเอมาภาวนาอีกกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนพระไทยใจของพระองค์รวมสงบเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมา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 แต่ท่านพูดพูดท่านตรัสแบบรวบยอดนะพระชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าแต่ท่านไม่ได้พูดถึงอดีตชาติของพระพุทธองค์ในเมื่อพูดถึงอดีตชาติของพระองค์แล้วยาวเหยียดเลยแต้เลยสองไมยชาตินั้นเราสร <c oughs> ้างบา ร, รมีอย่างนั้นชาตินั้นบารมีอย่างชาตินั้นบารมียาวเหยียดเลยเแต่ละบา ร, รมีแต่ละชาตินั่นนะอันนั้นแหะคือการสังสมบา ร, รมี มีทานบั่งมีศีลมั่ ง, ม, ม, งมีสัจจะปิ่งมีอธิษฐานมั่งมีอธิษฐานมีอุเบกขาบั่ง <c oughs> มีมากมายประมีสิบทัศของสิท ธ, ธะของพระพุทธเจ้าเราสิบทัศน์ั่นก็รวมกันเป็นสามสิบสามสิบทัศคำว่าสามสิบทัศคำนี้คืออะไรก็คือทัศหนึ่งก็คือยอดเยี่ยม แบบที่สุดสิบทัดต่อมาอีกหย่อนลงมาสิบทั์ที่สามนี่หย่อนลงมาอีกแปลว่ามีทั้งแข่งมีทั้งกลางมีทั้งหย่อนการบำเพ็ญอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยนะบางทีเราภาวนาใช่ั้ยล่ะบางทีก็ภาวนาแบบ อ, อุกลิปนั่งทั้งวันทั้งคืนอันนี้แปลว่า